ตอนนแปลแสดงความนับถแด่ท่า น, น, รานราพระเทราเพมะเทราพรววิญญาณทีการเส้นในที่ประชุมนี้มีท่านผู้บริหารผู้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาชลนิกรราชาทยาัยมีท่านเป็นคุณพระราชาชสิิมุนีเป็นต้นเป็นประธานขอ จเจริญพรคุณเิรินยาสิทธิชัยในภาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสว่าที่ร้อยตรีอุธิพง์เหล่าจุมพลผู้อนการสถาบันพัาดุคขลากรได้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่านผู้แทนสำนักงานสง่าแห่งชาติและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามมหาวิทยาลัย ม, มหาจุฬาลงกรณราชเทวยายายีขออนุโมทนาต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ได้ มาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นโครงการถวายความรู้แด่พระวิทยาธิการเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสำหรับพระภิกษุษสามเณรซึ่งได้อาราธานานิมนท่านทั้งหลายมาร่วมกัน ระดมความคิดและกำหนดแนวทางความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสร้างลั้วล้องวัดของเราให้เป็นวัดสีขาวปลอดอยาเสพติดโดยมหาเถรสมาคมได้ มีมติรับทราบกิจกรรมของเราครั้งนี้โดยร่วมกันท่านทั้งหลายจึงชื่อว่าสนองงานของคณะสงฆ์ในอีกด้านหนึ่งในการมาประชุมครั้งนี้ก็ขอนุมทนาและขอเปิดการประชุมสั ม, มนากันและขอมีส่วนร่วมในกิจกรรม อันเป็นกุศ์อนนี้ด้วยการบรรยายเปิดการประชุมกัละล้กันโดยกำหนดเป็นหัวข้อเรื่องนโยบายคณะสงฆ์ที่จริงก็คือนโยบายของมหาเรวสมาคมแต่เรียกรว ม, ร ว, มว่าเป็นนโยบายของคณะสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้งของประชาชนและของพระสงฆ์พระภิกษุสมณีการพูดในวันนี้ก็จะมีสองเรื่องคือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของบ้านเมืองของประชาชนทั่วไปเรื่องหนึ่งและป้องกันปัญหายาเสพติดในวัดที่มากระทบพระภิกษุสมณีของเรา อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็จะโดยจะพูดถึงกรอบนโยบายรวมถึงคำสั่งมติมหาเจรสมาคมในเรื่องเหล่านี้ที่แสดงถึงว่าคณะสงฆ์มีความผลนใหญ่และมีการดำเนินการในเรื่องนี้มานานเป็นระยะยาวทีเดียวเราในฐานะที่ เป็นสมาชิกของคณะสม์จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยรวมอย่างไรปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาระดับชาติปัญหาใหญ่เป็นกับดักประเทศไทยปัญหาหนึ่ง เราเรียกว่ากลับดับก็เพราะว่าตอนนี้เราจะขับเคลื่อนประเทศของเราไปสู่เป้าหมายคือการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงโดยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลประเทศไทยของเราได้รับการจัดระดับโดยธนาคารโลกเมื่อปี2550 54ให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงใครอยากขึ้นอีกชั้นเดียวเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเหมือนสหรัฐเกาหลีญี่ปุ่นจึงมีนโยบายรวมเรียกว่าประเทศไทย 4.0 เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นแต่รุรสรัค ความหนามที่ทำให้เราไปสู่ตรงนั้นไม่ได้ก็มีหลายอย่างเขาเรียกว่ากับดัก middle income trap เป็นกับดักหนึ่งในกับดักนั้นก็คือปัญหายาเสพติดสำหรับประเทศไทยเราเรามีปัญหาใหญ่ตรงนี้ที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็เพราะว่าเรา อยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่ของโลกคือสามเหลี่ยมถงเข่าสมัยหนึ่งเราเรียกสามเรียมถงคขาและตอนนี้ก็อาจากออกจากตรงนั้นไปเข้าไปในดินแดงของประเทศเพื่อนบ้านผลิตกันยกใหญ่เอามาขาย สำหรับคนไทยประเทศไทยด้วยเพราะเรามีรายได้สูงแล้วก็เป็นทางผ่านไปยังประเทศที่มีรายได้สูงแต่มันไม่ผ่านอย่างเดียวคนไทยก็เสพไปด้วยมันจึงเป็นปัญหาใหญ่เป็นวาระแห่งชาติและมันไม่ได้กระทบเฉพาะนอกวันมันเข้ามาในวัดเราด้วย ถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่อย่างนี้มันเป็นกำดักอย่างนี้เนี่ยเราดูอดีตรประเทศที่ยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งต้องถือว่าย่อยยับต่างชาติเข้ามารุมทึงกว่าจะฟื้นมาได้เนี่ยอย่างแย่เพราะย่าเสพติด นั่นก็คือประเทศจีนประเทศจีนเคยมั่งคั่งรุ่งเรืองเป็นมหาอำนาจในเอเชียแต่ก็มาระบบจั ก, กรพรรดิล่มสลายกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ เหตุสำคัญก็มาจากยาเสพติดเป็นยาเสพติดที่คนจีนไม่ปราถนาแต่ต่างชาติเอาเข้ามาก็คืออังกฤษเอาเอาฟินเข้ามาปลูกเข้ามาขายในประเทศจีนคนจีนโดยเฉพาะในราชสำนักเสพฝิน สติปัญญามันก็ถดถอยพลังอำนาจของชาติก็ลดลงฮ่องเต้เห็นภัยของยาเสพติดจึงได้ให้ข้าราชการเนี่ยไปยุติไม่ให้ต่างชาติบรรทุกฟินมาขายในจีน พอไปห้ามเขาเขาก็หาเหตุทำสงครามรบกับจีนมหาอำนาจตะวันตกทำสงครามกับจีนเพราะฟินเป็นเหตุสองครั้งเรียกว่าสงครามฟินครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงพุทธศักราช2382 ถึง 2,385 ในช่วงรัชกาลที่สามผลปรากฏว่าจีนลบแพงโดนปรับแล้วยกเกาะห้องกงให้เป็นของอังกฤษ1้อยปีอังกฤษพึ่งคืนห้องกงให้จีนเมื่อ20ปีมานี้ นั่นเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองลบ ก, กันอีกเพราะฟินเป็นเตุสองพันสาร้อยเก้าสิบเก้าถึงสองพันสี่ร้อยสาในสมัยต้นรัชกาลที่ห้าอังกฤษก็อังกฤษและหลายประเทศฝรั่งเศสลุ่มจีนเพราะจีนไม่ต้องการให้ขายฟินจีนก็แพ ฟินก็เลยได้รับเรียกว่าขายกันอย่างอึกรกเริกในจีนมีสติว่าในปี 2,443 คนจีนกว่า13ล้านคนติดฟินสมัยนั้นคนก็ไม่ได้เป็นพันล้านอย่างนี้และคนติดฟินเนี่ยเป็นระดับหัวกะทิคนมีสตัง ยาเสพติดทำลายสถาบันของจีน 2,443 ยังติดฝิ่น 2,455 หลังจากนั้น12ปีลาชวงชิงก็ถูกโค่นลม้มจกกักรพรรดิองค์สุดท้ายถูกปลดปูเยีย่ ไม่มีคนมีสติปัญญาสามารถในการในการกอบกู้ศักดิ์ศรีของสถาบันความลุ่มสลายของสถาบันห่องเต้นำนไปสู่การตั้งระบอบสาธารณรัฐโดยสุญญสิทธ แล้วสุญญ่เซ็นก็มอบอำนาจต่อไม่ใช่หรสุญญ่เซ็นสิ้นก็ไปถึงเจียอไคเช็คญี่ปุ่นก็บุกจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมาเจอตุงก็ตั้งกองทัพประชาชนปลดแอกลบชนะเจียอทไคเช็คหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดูถึงเหตุจริงๆนี่มันมาจากยาเสพติดอะฝินดังนั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นเพศภยัยแก้ไขปัญหาไม่ได้มันก็จะเหมือนอาระยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างจีนย่อยยับไป องค์กรใหญ่ๆมันก็จะเหมือนไดโนเสาร์ปรับตัวไม่ทันศูนย์พันคณะสงฆ์เป็นองค์กรใหญ่ถ้าไม่รู้จักปรับตัวไม่รู้เท่าทันปัญหาที่คุกคามเข้ามาเช่นปัญหายาเสพติดมันก็จะมีสิทธิ์เหมือนไดโนเสาร์ตามทฤษฎี วิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาวินที่ว่าเผ่าพันธุ์ที่อยู่รอดไม่ได้เข้มแข็งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ปรับตัวเก่งที่สุดรู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์คือการปรับตัวปัญหายาเสพติด ม, ม, ม, มันฟุ้คามญาตโยงของเรา ลูกศิษย์เยาวชนของเราเราต้องช่วยกันแล้วมันยังลุกลามเข้ามาในวัดเราอีกเราก็ต้องช่วยกันการรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วมาช่วยกันแก้นี่คือการปรับตัวไม่ใช่ถือว่าเป็นทุระไม่ใช่ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเพื่อแก้ปัญหา ปัญหายาเสพติดที่เกิดกับชาวบ้านก็เป็นเรื่องที่พระสงฆ์จะต้องช่วยเป็นกิจของสงฆ์มหาเถรสมาคมตรนักต ร, ตรงนี้จึงมีมติออกมาเป็นระยะๆะะซึ่งผมจะเล่าถวายกิจของสงฆ์มาจากพระบาลีที่ว่าสาข า, าณาคาราจัก อุโพอัญโยนยานิสิตาที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าคฤหัสและบันพชิตคฤหัส ก, ก็คือสาคาราผู้ครองเรือนอนาคาราก็คือผู้ไม่คลองเรือนก็คือบันพชิตอุโพทั้งสองฝ่ายอันโยนยานิสิตาต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อุยใจถ้าขัดกันก็บาลัยทั้งสองทางบ้านกับวัดคลึหันบรรพชิตช่วยกันอย่างไรคลึหันทวายอามิสถานอุปถัมภ์วัดพระศาสนาบรรพชิตให้ธรรมทาน ธรรมะเป็นการตอบแทนพึ่งพากันปัญหายาเสพติดมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามาตรการในการรักเสียรักษาศีลห้าข้อที่ห้ามันยังไม่บรรลุผลถ้ามองในมุมของมหาเศรษฐคม ถ้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเนี่ยมันประสบความสำเร็จศีลข้อที่ห้าเนี่ยสุรายาเสพติดเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้เราก็สร้างปราการคุ้มกันญาติโยมสำเร็จเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องรณรงค์เรื่องการรักษาศีลห้า รัฐบาลต้องสนับสนุนคนติดยาเสพติดเพราะความอ่อนเอไปติดกับดักของมาไม่รู้เท่าทันเป็นเด็กเยาวชนไม่รู้เท่าทันคนโตก็อ่อนเอขาดธรรมะเราจะต้องเทศต้องสอนกันมากขึ้น เพื่อฉีดภูมิคุ้มกันวัคซีนคุ้มกันไม่ให้เกิดโรคปกพร่องในสังคมแล้วยาเสพติดมันจะเข้ามาพระมีส่วนมากในมีส่วนสำคัญในการต่อต้านยาเสพติดเพราะเราสอนให้รู้ทาให้ดูอยู่ให้เห็น เราไม่ได้ไปคล้องแวะยาเสพติดเรามีศีลกากับพูดเสียงดังไม่ได้พูดอย่างเดียวเราสาธิตเราทำให้ดูเราอยู่ให้เห็นวัดของเราจะต้องเป็นเกาะที่ยาเสพติดเข้ามาไม่ได้เขตปลอดเป็นสีขาวไม่ต้องไปประกาศแต่มันต้องเป็น หมูบ่บ้านชุมชนเขาเห็นเขามาฟังเราเทศเราสอนมันจะเกิดกำลังใจเกิดภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเกิดว่ากำแพงวัดเนี่ยมันถูกบ่อนซอะยาเสพติดมันเข้ามาสอนก็ไม่มีใครฟังเพราะเราไม่สามารถทำให้ดูไม่สามารถอยู่ให้เห็น ยาเสพติดให้โทษเราจะต้องรู้มันคืออะไรไม่ใช่วัตถุระไม่ใช่เปิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช 2,522 เราก็จะเห็นคำจะกัดความคำว่ายาเสพติดให้โทษหมายความว่าสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทานดมสูบชีดหรือด้วยประการใดๆแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญร่างกายมันก็อยากจิตใจก็ฟันฟ่นเฟือนเช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับมีอาการถอนยาเมื่อขาดยาลงแดง มีความต้องการเซฟทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงไม่ได้เซฟนี่คนที่ติดเขาบอกเหมือนผีมันมาบิดไส้ครับขวัดแล้วใจก็กระหายโกรธง่ายไม่ได้เซฟฟั่นเฟือนดีไม่ดีก็ไปปล้นไปจี้ปล้นจี้นอกวัดไปพอ เอาพุทธลูปเราไปอีกมันเพียนทั้งร่างกายจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทุดโทรมลงมันทำลายชาติานถ้ามันทุดโศมนี่จะเอาสติปัญญาที่ไหนไปทำงานไปสร้างชาติตั้มันย่อยยับ ยาทำลายที่ไหนส่งไอ้พวกนี้เข้าไปนี่เป็นคำนิยามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของยาเสพติดเนี่ยมันเหมือนกับที่ท่านใช้คำว่ามัชชะปะมาทัตฐานะสุราเมรยะมัชชะ ปรมทัทฐานาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทประมาคือขาดสติถ้าขาดสติเสร็จแล้วฐานของศิลธรรมมันหมดธรรมะทุกข้อรวมลงในฝ่ายปุสโธรธรรมหนึ่งป ร, ม า, ปรมาทสมมสรณา อาประมาโทเตสอาปรมาโทเตสังกัดธรามขายติความไม่ประมาทเนี่ยธรรมะที่เป็นกุศลทุกข้อร่วมลงอยู่ในความไม่ประมาทและความไม่ประมาทเป็นเลิศเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือมีสติมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่ ประธานปัดเฉลิมโอว่าว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถัท่านทั้งหลายจงทากิจการให้สาเร็จด้วยความไม่ประมาทศีลห้าเนี่ยมันเป็นลากฐานของศีลอีกสี่ข้อที่เหลือเป็นลากฐานของความดีแห่งสังคม แล้วถ้าให้ยาเสพติดมันมาทำลายสติมีผลต่อจิตประสาทคนก็เพี้ยนกันทั้งประเทศการออกฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีต่อจิตประสาทเขาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกดประสาทเช่นฟินมอฟีนเฮโร อ, อีน กลุ่มที่สองกระตุ้นประสาทเช่นเอฟเฟตามินยาบ้ากระท่อมโคเคนกระตุ้นประสาทวัดผมเป็นวัดนักเทศ ม, มีพระนักเทศนักแร่รูปหนึ่งท่าล่าผมฝังหลายปีมาแล้ว ท่านเทศวันหนึ่งสี่ห้างานเทศแหลมหาชาติปรากฏว่างานท้ายๆมันจะหมดแรงสองทุ่มเพิ่งได้เริ่มเทศโยมก็ดบเอาเอาชาเอาน้ำเอายากระตุ้นเนะี่ยไม่รู้ยาอะไร ใส่น้ำให้ฉ่ำครันแลไม่หยุดเลยครับเสียงไม่ตกโดนดีครับยิ่งเที่ยงคือตีหนึงห่งโอ้เสียงยิ่งใสใหญ่เลยครับโยมม่วงก็ไม่ไม่หยุดเลยทีนี้กว่าจะได้ลงทำมากก็โอ้โดึกมาก กลับมาวัดนะครับไม่หลับไม่นอนแลอยู่นั่นเลยอยู่กุฏิข้างๆผมอะนะสมัยนั้นยาบ้ายังไม่มีไม่ผิดกฎหมายนะไอรถบรรทุก ม, มันซื้อเอาตับบังมาท่านโดนที่นั่นเข้าไปแลรลั่นวัดเลยทนะ่านสามคืนนอนไม่หลับ เดินมาหาผมตาลอยเหมือนผีดิบบทใหญ่รือไม่รู้ผมไปโดนยาอะไรมานอมันไม่หลับเลยเนี่ยสามคืนแล้วไม่น่าเราปวดประสาทจริงๆเสียงเกนแหลกของเขาพอพ้นสามคืนนะหลับเป็นตายเลยย่ิบสี่ชั่วโมงนั้นไอ้พวกยาแต่ตุ้นอยระวังนะพระคุณเจ้าบอกเสียงดีลืกคุณ ประเภทที่สามหลอนประสาท LSD หลอนและประเภทที่สี่ผสมกระตุ้นบ้างหลอนบ้าง mm hmm. เช่นกัญชาหัวเราะอยู่นั่นอเอาใบกัญชามาผสมส้มตำกันเนาะฉันไปหัวเลาะไปะโยมแกล้งคระ แล้วถ้ามีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยมันประมาทนะท่านมันเพี้ยนเทศก็ไม่ฟังงานการไม่ต้องเป็นอันทบศีลข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชฌ a ปมาัฐานนาเวรมณีเว้นจากน้ำเมาคือสุรามีะไรเป็นตั้งในความประมาท อะไรก็ตามที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความประมายยาเพติดมันก็รวมอยู่ในนี้แหละสุราคือน้ำเมาเอเมไลเน่รวมยาเซติดเข้าไปหมดเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและความไม่ประมาทคือสติมันเป็นฐานของกุศลธรรมศีลข้อที่ห้านี่คนมักจะเถียงผมไม่ได้ไปเบียนเบียนท่านนะท่านกุญแา ไม่ได้ขอเงินมา ก, กินเหล้าหรือเสพยานะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครข้อหนึ่งเนี่ยฆ่าสัตว์เออเบียดเบียนคนอื่นลักทรัพย์เป็นผิดผิดในการมันเบียดเบียนแต่ข้อห้านี่ไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วมายุ่งอะไรท่านเอาไว้ข้อห้าเป็นเรื่องสำคัญบางศาสนาขเขาไม่ระบุนะแต่พุทธศาสนาถือว่า ยาเสพติดสุราอะไรต่างเนี่ยมันทําลายสติทําให้เกิดความประมาทคือไม่มีสติพอไม่มีสติศีนที่เหลือก็อรักษาไม่ได้ท่านสังวรเนี่ยมันต้องอาศาัยสังวรระวังเพื่อรักษาศีนเนี่ยตัววีรัตน์เนี่ยมั่นอาศัยสติเลยท่านพั้งปากเสียศี พลังตีนตกต้นไม้ในทิเบตเขาเล่านิทานเรื่องนี้ไว้ดีเขาบอกว่ารือสีกันแล้วกันอยู่ในป่าและต่อมาก็มี ครอบครัวมาพัดลงอยู่ในป่าเป็นชาวบ้านสามีภรรยาอยู่แต่ทอบไม่ใกลหรือสีก็รู้จักมัดพุ้นมาถวายอาหารกันอยู่มาอยู่มาสามีตายเหลือแต่ภรรยามาทาบุญมาทาบุญกับฤาษีฤาษี ก็เป็นมังสวิรัตินะครับไม่่านเนือ้อแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขาไม่มีความมั่นคงเขาก็จะใช้มารยาหญิงเนี่ยเอาลือสีเนี่ยไปคุ้มครองเขาไปอยู่ด้วยกันมายั่วมายวนลือสีก็ตบะแข็งกล้าไม่สนใจ เอาแพะเอาแกะไอไอเอาเก้งเอากอาวานจับมามาให้ฤาษีฆ่าปิ้งกินฤาษีก็บอกว่ามันผิดสีข้อที่หนึ่งก็ไม่ยุ่ยงไม่ยุ่งอีก่ทำยังไงก็ตะบะแข็งไม่สำเร็จวันหนึ่งผู้หญิงก็ เอาเอาเอาเอ า, เอาเก้งมาที่เป็นเป็นนะเอาแล้วก็เอาสุรามามาให้ฤาษีจะให้ฤาษีฆ่าเก้งปิ้งกินจะให้นอนด้วยไม่เอาทางนั้นผู้หญิงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอไม่เป็นไร แต่ขอฉลองศรัทธาหน่อยวันนี้เอาเหล้ามาด้วย <c oughs> ลิ้นเหล้าถวายฤสีฤสีเกลงใจฆ่าสัตว์บระกอบาบมีเพศสัมพันธ์มันก็ไม่ดีกินเหล้ากันแล้วกันกินไปสักพักเดียวเท่านั้นเมาฆ่ า, าสัตว์ฆ่าเก้งเหรทีนี้มีอะไรกับผู้หญิงซะ มันไม่ยังคิดไอ้ที่ครองตะ บ, บะมาไม่สาเร็จพอเล่าเข้าปากจากเรื่องนี้เนี่ยทางที่เบกเขาบอกเห็นไหมยาเสพติดสุรายาเสพติดมันเบียดเบียนตัวเองแล้วมันไปทำให้สินขาดข้ออื่นแล้วมันก่อภัยแก่สังคม กินเหล้าคนเดียวน่ยนอนหลับอยู่บ้านไม่เป็นไรแต่ไปขับรถบนท้องถนนนี่มันคือเอาลูกกระสุนวิ่งไปใส่คนอื่นดีๆนี่เองเดือดรอ้อนฉะนั้นการที่สอนให้คนเห็นคุณค่าของสติควบคุมตนเองให้ปลอดยาเสพติด มันเป็นพื้นฐานของศิลธรรมและเป็นงานของคณะสงฆ์หกด้านเนี่ยในฐานะพระวิทยาธิการท่านต้องปกครองดูแลสอดส่องให้พระสงฆ์สมณีนของเราปลอดอบายามุกและอย่าเสพติดให้โทษอย่าเสพติด จัดการให้การศึกษาคณะสงฆ์ต้องจัดการให้การศึกษาในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าวาดอะรต่าให้การศึกษาอบรมพระพิสุทธิสมณีคารวะพระพิสุทธิสมณีคารวะญาติโยมโดยพระภิสุทธมเมณีให้เห็นโทษภัยของยาเสพติดให้ห่างไกลจากยาเสพติดจัดโรงเรียนพุทธสนาวันอาทิตย์โรงเรียนการบุญสนของวัดบวชสมเณีภาคลุล้อนต้องสอนแทรกเรื่องภัยของยาเสพติด มหาจุฬาจัดบวชนทน่าน์และอบรมเยาวชนปีละหกหมื่นเจ็ดมืนรูปคนเนี่ยเป็นโครงการต่อต้านยาเสพติดไปในตัวร่วมกับปปสขนานเพราะเยาวชนเป็นเหยือ่อในในการเผยแพร่ในการเทศการสอนก็ต้องสอดแทก สอนให้มีความเข้มแข็งให้มีความสุขในชีวิตให้แก้ปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดสารสนูปการวัดประสานกับบ้านและราชการบวรเนี่ยสามประสานใช้สถานที่เป็นที่อบรมเป็นที่ชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกับราชการอย่างบกสอบและอื่นๆ ให้เกิดการศึกษาเข้าใจสำหรับชาวบ้านสำหรับพระสงฆ์อย่างที่เรากำลังทำอาคารสถานที่ที่เราก่อสร้างมีเอาไว้เพื่อการนี้ด้วยอย่าไปใช้แต่ในเรื่องอื่นอย่างเดียวช่วยสังคมและสาธารณสมคร้อท่านช่วยป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติดบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมัรถนะมันก็คืองานสาธารณสมเพราะโดยตรงเลยหกงานเนี่ยค่ะเราจะช่วยกันตรงไหนอย่างไรมหาเถรสมาคมมีมติเป็นระยะระยะในเรื่องนี้ผมจะไม่พูดตามขอสอนนะพูดตามเรื่อง มติมอสอคือมหาเสนระบดีครั้งที่สามสิบเอ็ดปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้ามีมติเรื่องขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประชาชนนี่พูดถึงชาวบ้านก่อนท่านจดมติไว้เพื่อใช้อันอีก โดยในมตินั้นเนี่ยส่วนราชการของความร่วมมือมามหาเศรษฐมคมบอกเรื่องนี้เคยให้ความร่วมมือไปแล้วโดยได้มีมติมหาพงศเคยมีมติก่อนปีสีให้ให้เจ้าคณะผู้ปกครองและเจ้าวาดให้ความร่วมมือกับราชการในการป้องกันภัยยาเสิพติดในโทษ อันนี้ก็หมายความว่าคณะสงฆ์ไม่ได้นิ่งดูดายให้เจ้าวาดเจ้าคณะเจ้าวาดเจ้าคณะเนี่ยร่วมมือกับทางราชการอย่างที่เราร่วมมือกับปปสและอื่นๆสอสอส อ, อื่นๆอย่างที่เรามาประชุมวันนี้เราก็ทําตามมาตินี้แหละครับให้ความร่วมมือท่านเลขาธิการปรสปรสบอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการร่วมมืออื่นๆอีก ทั้งกับมหาจุฬาและคณะสงฆ์เราก็ทำตามมติที่ว่านี้มติบส ท, ที่19ย้อนไปอีกปีครับ244เห็นชอบให้วัดเป็นศูนย์สมเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและโดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจสั่งวัดทั่วประเทศนะครับให้ทําศารณะสมเพราะเป็นศูนย์สงเคราะฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทางกายด้วยและทางใจก็ให้ใช้หลักธรรมในในการฟื้นฟูสมรรถภาพของคน ผมจะไปเร็วหน่อยนะครับทันจดเฉพาะประเด็นกันเลแล้วปี44เนี่ยนะครับมาหาดไทระโคกก็มีมติที่20ทัพ 2,444 แต่งตั้งคณะกรรมการประสาน ง, งานศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยมีพระธรรมปริยติโสพลปัจจุบันคือสมเด็จพุทธาจารย์วัตรมิตรเป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสํานักเลขามหาเทวคมเป็นเลขานุการจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเป็นงา น, น, านคันทร์ส่งะมีศูนย์ประสานงานเรื่องให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์แล้วฟื้นฟูแล้วมหาเทวคมก็ให้รายงานมา แต่ละวัดทําไปถึงไหนสำนักพุทธก็อ้างข้อมูลจากปปสครับรายงานมหาเิรสมาคมต่อที่เป็นศูนย์ น, ะ 44, นั้นปีสี่ีปีห้าหนึ่งครับมติมสครังที่ส8บแปดสมพร้ห้าสิบเอ็ดก็มหาเถรมาคมได้รับรายงานจากสำนักพุทธโดยเอาข้อมูลจากปปส ว, ว่า มีวัดเข้าร่วมโครงการวัดเป็นศูนย์สงขคราะและฟื้นฟูนผู้ติดยาเสพติดจำนวน518วัดบสรับทราบนะค ร, บรบับมีวัดที่เข้าร่วมโครงการ518วัดแล้วใน518วัดแบ่งออกเป็น3ประเภทครับหนึ่ง วัดที่ดำเนินงานเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามพรบยาเสพติดให้โทษ252เนี่ยมีแค่22วัดขึ้นทะเบียนนเป็นสถานพยาบาลถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยใน518วัดมีแค่22วัดผมไม่รู้มีวัดท่านที่นั่งอยู่นี้ด้วยหรือเปล่า นี่กลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่สองวัดที่ดำเนินงานเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเนี่ยร้อยสามสิบห้าวันร้อยสามสิบห้าดำเนินการอยู่แต่ไม่ได้จดทะเบียนให้มันถูกต้องนี่แจ้งมอสอ่นะครับ แล้วกลุ่มที่สามล่ะเยอะหน่อยครับวัดที่เคยร่วมโครงการถวายความรู้เรื่องดำเนินการจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางคืออบรมแบบพวกเราเนี่ยแต่ไม่ทำอะไรเลยสามร้อยหกสิบเอ็ดวันมาร่วมประชุมแสดงความกระตือรืร้นแต่วางแผนแพลนิลนล้งกันเียแลนนิ่ง คิดจะทำแต่ไม่ทำสรุปจากมติมอสอที่ว่ามาเนี่ยบทบาทของวัดคือคณะสงฆ์ที่มอสอให้ทำในเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยมีอยู่สามประเด็นหนึ่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในเชิงรุกก็คือเทศคือสอน ให้เห็นโทษเห็นภยัยไม่ให้เกิดความประมาทป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะเกิดเรื่องงานของพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนอันดับแรกพูดถึงโทษภัยของยาเสพติดเป็นต้นสองในฐานะพวิญญาณีการนะครับที่ท่านจะไปไม่ให้ยาเสพติดมันเข้ามาในวัดเนี่ยท่านก็จะต้องมีบทบาทตรงนี้ สองชาวบ้านติดยาแล้วทำไงต้องบะบัดรักษาเป็นศูนย์สงเคราะห์รักษาทั้งกายและใจให้หายให้เลิกมันเหมือนกับเป็นโรคอย่างหนึ่งครับและข้อสามคนเลิกยาเนี่ ย, ยมันก็ไปเสพอีกมันไม่เข้มแข็งสังคมระเกียดพอสังคมระเกียดเท่เกัามาก็หางไป เลิกมาได้สักพักหนึ่งเหมือนกับไอ้สุบุรีเลยนะครับมันเบือเบื่ออย่างๆมันจึงจะต้องฟื้นฟูให้เขาเข้มแข็งทั้งจิตใจทั้งอาชีพการงานสังคมสงเคราะห์สาธารณสงเพราะห์มันเป็นกระบวนการไม่ได้หยุดอยู่แค่รักษาหายเอาออกไปสู่สังคมเนี่ยมันก็ไปติดอีกต้องให้เขาพึ่งตัวเองได้ ต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเขาเรียกฟื้นฟูนบทบาทเราจะอยู่สามเรื่องนี่แหละทั้งในวัดนอกวัดทั้งเกี่ยวกับบุคคลในวัดนอกวัดซึ่งจะพูดต่อไปถ้าเราช่วยสามเรื่องเนี่ยเท่ากับทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้บำเพ็ญประโยชน์สำหรับชาวพุทธ รักษาชาวพุทธญาติโยมของเราไม่ให้ติดยาเสพติดพุทธศาสนกชนไม่ประมาทมีศีลข้อที่ห้าเราชื่อว่าได้ดำเนินตามรอยพระเจ้าเป็นพุท ธ, ธาาาทาาถาจริยาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวพุทธยาตถาจริยาบาเพ็ญประโยชน์แก่ญาติคือคนไทยด้วยกันไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นชาวพุทธ คนไทยทั้งหมดจะได้การคุมร้มครองป้องกันจากพระศาสน า, ศาโรค ก, กันฐะจริยาปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรียกว่าโรคแตกคือกระจายไปทั่วโลกเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือสาธารณชาติก็ลงมาสู้กัญยาเสพติด พระพุทธศาสนาก็ต้องต่อต้านยาเสติด ต, ตามแนวพุทธจริยาศาสตร์บทบาทในการแก้ไขยาเสพติดเนี่ยใช้ประทานสี่ครับทำสี่เรื่องถ้าเทียบกับทางศาสนาก็คือสังวรประทานเราป้องกันปัญหา ย, ยาเสติดไม่ให้เกิดขึ้นตัดไฟแต่ต้นหลง ไม่เข้ามาในวัดเราก็สังวรประทานสังวรก็คือสร้างกรอบป้องกันปัญหาหนประธานถ้าเขาติดชาวบ้านติดเราเป็นสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูเอ่อบำบัด ร, รักษาเรียกว่าปัญหาหนประธานรักษาเขาแล้วทํำยังไงให้เขาเข้มแข็ ง, ขงพึ่งตัวเองได้คือฟื้นฟูสมัรถนะเป็นภาวนาประทาน และให้สังคมเป็นสีขาวปลอดยาเสพติดตลอดกาลเป็นอนุรักษ์นาประธานฟื้นฟูแล้วก็บำรุงดูแลให้มีศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมถ้าเราทำประธานทั้งสี่เนี่ยตามแนวนี้เราจะทำได้ครบเลยตั้งแต่ป้องกันแก้ไขฟื้นฟูพัฒ น, นา ข้อสีเกิ่พัฒนาทีนี้เรามาดูว่าในกรอบของคำสอนทางศาสนาเนี่ยเราใช้อะไรนะครับในการสัมวองป้องกันสัมวองประทานยึดหลักวิรักษาครับสัมปัตตาวิรักเว้นยาเสพติดเมื่อคนเอามาให้เนี่ยไม่ไม่รักไม่ซื้อไม่บริไม่เสพไม่ขาย สัมปทาวิรัติเกิดได้อย่างไรต้องให้ความรู้ให้การศึกษาต้องพูดต้องสอนเทศนาบอกลูกศสิทธิเยาวชนของเราพระเนนของเราแจกหนังสือมีวิดีโออะไรต่างเนี่ยอัดเข้าไปสร้างระบบสังคมที่ดูแล ก, กันและกันมีมาตรการทางกฎหมายทำให้เกิด ความเขาเรียกว่าฮิริโอตปะกฮิริละอายที่จะต้องไปเก่งเพราะพึ่งหย่าโอตปะกรวมผลที่จะตามมาไม่ว่าในด้านการลงโทษตามกฎหมายสุขภาพหรืออะไรก็ตามส่วนสมาทานเวรัตเว้นด้วยการสมาทานคือให้รักษาศีลนั่นเองพร พองคำยาเสพิดมาให้แม้กระทั่งสุราหรือยาเสพติดให้โทษไม่ดึ่มไม่ทานไม่เสพเพราะเรารักษาสมาทานศีลมาจากพระแล้วเราก็ื่อจะต้องรณรงค์เรื่องหม บ, งบางรังษาศีลห้าเรื่องอะไรตักให้มากขึ้นส่วนข้อสามเป็นเรื่องของพระอรหันต์เป็นพระโสดาบาันสาก า, าทาคามีเป็นพระอริยเจ้ามันก็จนกระทั่งเป็นพระอระหรันต์ ตัดขาดตัดกิเลสได้มันก็ไม่คล้องไว้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมาเล็กข้อหนึ่งข้อสองโดยเฉพาะสมานทานววรังรัชกาลที่ห้าเนี่ยเวลาจะเสด็จประพาสยุโรปในปี2440ได้สมาทานพิเศษเป็นสามข้อนะในพระบรมมหาราชวังไอคำปฏิญญาต่างๆเนี่ยที่นำญาติโยม เหมือนกับปฏิ ญ, ญาณตนไม่ค้่องไว้ยาณเสพติดเราทาสามารถทาได้หมดแล้วมันมีหมนแลังจากการที่ห้าจะเสด็จประาพาสยุโรปนี่คนกลัวเหลือเกินว่าจะเปลี่ยนศาสนาฝรัง่งจะมาคับให้สือศาสนาคริสต์ลัลจากการที่ห้าก็เลยประกาศต่อหน้าพระสงฆ์เจ้านายเชื้ อ, รอรพร ะ, ระวง์อะไรต่างพระบรมวงศานุวงศ์ในในพระโรมหา ว, หวังหวสามข้อเดยกัน แล้วเวลาที่ท่านเสด็จต่างประเทศเนี่ยรักษาตามนั้นหรือเพราะประการด้วยการสมาฐานให้ผู้ติดตามก็รู้ด้วยคนรู้ทั้งประเทศท่านเพราะฉะนั้นผมก็มีส่วนนะครับเวลาสถานศึกษาที่ไหนประกาศเป็นโรงเรียนสีขาวอย่างเมื่อเดือนที่แล้วโรงเรียนในออากาศในเรืออากาศสีขาวผมก็เป็นเท่นให้สมาฐานทั้งโรงเรียนเลยนักเรียนในเรืออากาศ ก็คือเรียนแบบราชการที่หา้าไม่คล่องแหวะยาเสพติดในรือโรงเรียนในเรืออากาศสีขาวออกทีวีเอารายการไปออกทีวีด้วยยิ่งตรวจสอบกันเองใหญ่เลยตั้งแต่พอออกมาผูบ้บังคับผู้บังคับการโรงเรียนทุกคนประกาศหมดหนึ่งยกเต้นเียนแบบให้การที่หา้าครับ1นึ ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้องไปในศาสนาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันโรกค์ได้สสรู้ชอบดีแล้วกับทั้งพระสงฆ์ผู้ใหญ่อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตรากกว่าสิ้นชีวิตประกาศอย่างนี้ก่อนไปยุโรปครับแสดงไม่เปลี่ยนศาสนาข้อที่หนึ่งครับข้อสอง การที่ข้าพเจ้าไปครั้งนี้แม้ว่าจะช้านานเท่าใดก็ดีข้าพเจ้าจะไม่ร่วมประเวณีด้วยสตรีใดจนกว่าจะกลับมาถึงในพระราชานาขตไม่นอกใจข้อสามครับถึงแม้ว่าจะไปในประเทศที่เขาถือกันว่าการให้สุราเมรัยไม่รับเป็นิเป็ น, ปนการศีกริยาอดีหรือป้องกันโรคภัยอันเปลี่ยนอากาศเป็นต้นข้าพเจ้าจะไม่เสพสุราเมรัยให้มัน มึนเมาเสียสติหรือแม้แต่มีกายวิกฤเกินปกติเป็นอาการเส็นไอเขาเรียกอะไรโทสอะไรดื่มพอเป็นกิริยาประกาศไว้เลยสามข้อนี้ทําตามนั้นเป็นสมาถานวิรัตบเราก็ไปแนะนำแนะแนวให้มีการสมาทานวิรัตในเรื่องปลอด ยาเสติดเมื่อกี้นันคือสังวปนประธานปัหาหน้าประธานครับทำไงจะเลิกล้างยาเสพติดมันคนฉลาดเข้าฉลาดพอติดยาเสติดมันขึ้นยากนะครับเหมือนช้างตกล่มช้างตัวใหญ่พอตกล่มนี่ยิ่งดิ้นยิ่งจมแล้วทำไงครับขึ้นเองไม่ได้ครับ ช้างตกลมเหมือนคนติดยาเสพติดเราจะนึกว่ามันจะเลิกเองไม่ใช่นะครับช้างมันจะขึ้นจากหล่มไม่ได้เลยช้างตกลมมันจะร้องดังๆให้ควานช่วยในควานก็อุ้มช้างไม่ไหวก็ไปเอาช้างเชือกใหญ่กว่ามาที่ริมบ่อโครนผูกเชือกหรือโซ่ล่ามช้างอยู่บนบกกับช้างในโครนและให้มันลากกันขึ้นมา นี่คือระบบกลยานมิตรครับวัดทาหน้าที่วัดของเราในภาษาศาสนานี่นะครับคือในขวานครับช่วยญาติโยมที่เป็นช้างตกลมลากขึ้นมาจึงเป็นศูนย์ปบำบัดนะศูนย์ส่งเคราะห์คนเลิกเฮโรอินนะครับ ตอนหลังเขาเลิกได้เนี่ยเขามาเป็นวิทยากรให้ เ, เ, เยา ว, วนชนและคนอื่นว่าเขาพลาดไปแล้วเพราะอะไรทำไมเขาติดเฮโรอีนแล้วเขาเลิกด้วยระบบการนาเม็ดอย่างไรก่อนเขาจะเลิอกอยากเขาบอกลูกบอกภรรยาเลยต่อไปนี้พ่อจะเลิกนะแล้วมันจะลงแดงนะอารมณ์มันจะหมดุดหิดต้อทนนะ จะอรารวาส น, นะต้องขันตีนะร่วมมือกันไม่ใช่มาซ้ําเติมพ่อเพราะความรักลูกรักเมียมต้องเลิกไม่งั้นสมบัติไม่เหลือทุกคนร่วมมือหมดท่านเขาก็เล่าบอกว่าเวลาเลิกเนี่ยเหมือนมีอะไรมาบิดไส้ท่านพ่อไม่ได้เสพเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายมันมีมายาของมันจริงไม่ตายหรอกท่านแต่มันทําเหมือนกันจะตาย มันยอ่อมการได้เสร็จทนอาเจียนทนอะไรสักพักหนึ่งนะครับแล้วญาติย่ า, ยาก็าทนอารมณ์ร้ายได้เนะี่ยมันพ้นคนระอบครัวต้องช่วยกันบำบัดชุมชนต้องช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นบทบาทของศาสนาเขาจะมีกลุ่มคนใหญ่ที่สุดเป็นสมาคมใหญ่ที่สุดในโลกในเรื่อง บำบัดสุราเรียกว่า AA. a อเอเอ็นคอลก์อมัสแปลว่ากลุ่มผู้ติดสุรานิรนาศเดี๋ยวนี้มีสมาชิกที่เป็นอาสาสมัครสองล้านกว่าคนคอยช่วยผู้ติดสุราในประเทศไทยก็มีใครเข้าไปบำบัด ต, ตรงนี้ไม่มีชื่อนะครับเขาจะไม่เก็บเรคคอร์ดเพื่อไม่ให้เสียประวัติ เพราะฉะนั้นใครไปเป็นสิบเก่าไม่มีใครรู้หรอก AA เนี่ยตั้งมาในปี1935 mm hmm. ก็ 2,000 ก็เกือบ200ปีเลยโดยชาวอเมริกันชื่อบิลวิลสัน AA เนี่ยนะครับคือนายบิลวิลสันเนี่ยก็ติดเป็นทหารครับไปติดฟุรา จนเลิกยังไงก็ไม่สำเร็จนะครับมันเข้าไปในกระแสะเลือดจนคิดว่าจะต้องตายหรือไม่ก็ต้องถูกกักันแต่วันหนึ่งคนระับไปเจอเพื่อนที่นับถือาศาสนาคริสต์บอกว่าผมเลิกโดยเข้าเข้าโบสถ์อาศัยธรรมะแกก็หันข้อห า, าศาสนาครับ ปฏิญญาณกับพระเจ้าเกิดความเข้มแข็งท่านเลิกได้ครับเอาศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่า spirituality เอาคำปฏิญญาณต่อพระเจ้าต่อศาสนาของเขาถ้าไม่มีอันนี้มันจะกลับไปติดเอกครับถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้นทั่วโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยครับในประเทศไทยก็มีครับกลุ่มเนี้แต่เขาใช้ ศรัทธาในพุทธศาสนาเขาประกาศออกมานะครับสำนักงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระมกุฎเอาศาสนาพุทธเนี่ยช่วยชาวพุทธซึ่งมันหลักการเดียวกับวัดถ้ำกระบอกอะไรต่างๆที่ที่เอามาจากเอเนี่ยสิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยส่งจะต้องทำวิจัยว่ามันเรื่องศาสนานี่มันช่วยได้อย่างไร และเอามากำหนดวิธีในการสอนพระเทศทัาสอนกันร่วมกับปปศเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยเขารู้กันเรื่องศาสนานี่มันช่วยได้ครับจึงมาหาเราทำกันทั่วโลกแล้วสุราเนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆกับหลักสูตปรปถมมัธยมเลยคนที่ติดสุรามันจะ ผ่านไปยาเสพติดอื่นด้วยคนไหนที่ใจแข็งไม่แวะสูนไม่คล้องแวทบุรีเล่าเนี่ยเล่าไปกินบุรี่ไม่สูงเนีย่ยยาเสพติดอื่นมันก็เข้ามาไม่ได้ครับเพราะเขาใจแข็งแต่เด็กคนไหนลองเริ่มบุรีถ้าเราไม่ให้เขาหยุดเดี๋ยวก็สุราเพอสุราเนี่ยนะครับมันจะต่อไปยาบ้ายาอะไรต่อไปเรื่อยเลยครับจนฟินเฮโรอีนหมด เพราะมันมีจุดบอดแล้วเชื้อโรคมันแทรกเข้ามาฉะนั้นที่เรารณรงค์เรื่องเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ไม่คล้องแวะเล่าบุหรี่เนี่ยมันคือการวางพื้นฐานไม่ให้ไปคล้องแวะยาเสพติดอื่นครับคนถ้าเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ไปติดยามันก็ไม่ติดมันก็เลิกได้ครับ <Yeah. S 1> แต่มันไม่ติดหรอกเพราะว่ามันเห็นโทษภัยแล้ว ในในเรื่องที่สองเป็นอย่างนี้ครับเรื่องที่สามภาวนาประทานการรักษาประทานเนี่ยเวลาคนติดยาเนี่ยนะครับมันอยากเพราะมันเห็นภาพท่านคนติดเหล้าเนี่ยเห็นขวดสุราไม่ได้เห็นภาพก็ไม่ได้เห็นสองบุหรี่ก็ไม่ได้มันเป็นสัญญาณกระตุ้นระบบประสาทมาทำให้อยากเสมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยนี่ขอห้ามโฆษณาแล้วครับ ห้ามโฆษณาเหล้าโฆษณาบุหรี่แล้วในวัดหลวงพี่ก็อย่าไปเผอนะครับผิดกฎหมายด้วยเพราะมั น, มนพอเห็นแล้วมันอยากเหมือนเราเห็นอาหารเนี่ยนะครับเขาติดตั้งไว้แต่อาหารเราไม่ได้เสพติดเรากินแล้วเบื่อแต่ยาเสพติดได้เห็นภาพก็ไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้มันกระตุ้นกิเลสมันทําให้อยากเพราะฉะนั้น ไอ้ตัวยาเสพติดมันมันมีเขาเรียกว่ามันมีมันความอยากเป็นตันหเพอได้เสพสนองตันหานี่มันเป็นรางวัลครับคนกําลังเครียดเนี่ยพอเสพยาเข้าไปมันมีรางวัลคือความสบายลืมปัญหาหมดจริงๆเนี่ยคนมันไม่ได้ติดยาในตัวมันต้องการผลที่เกิดจากยาถ้าเราสามารถ ให้คนเขาได้ผลโดยไม่ต้องพึ่งยาเช่นเขาเครียดให้เขาแก้ปัญหาด้วยความเพียรพยายามโดยไม่ต้องพึ่งยาให้หายเครียดเช่นความเศร้าจากการสูญเสียคนรักเปลี่ยนัพอเศร้ามากๆเนี่ยมันมันอยากลืมมก็ลืมเล่าใช่ไหมครับเสพยาแต่ถ้าเราได้ธรรมะไปทำให้เขาหายเศร้าเขาปลงเขาปล่อยวางได้เนี่ยเขาไม่ต้องพึ่งยานะ นี่แหละที่เราทำเราต้องทำตรงนี้ป้องกันโดยที่ให้ธรรมะไปก่อนเด็กมันกลัวสอบตกมันก็ไปพึ่งยาบ้าเธอจะสอบได้โดยรู้จักนอนรู้จักพักยังไงมีวิธีเรียนเก่งยังไงสอนเขาสิเขาได้ผลคือสอบได้ไม่ต้องไปเอายาบ้ากระตุ้นเพราเฉะนั้นรลทเอไอฟาย ฝ่ายที่ป้องกันเนี่ยเขาจึงเอาสัญญาณออกที่จะเป็นกระตุ้นที่จะเป็นขายยาทั้งหลายไม่ให้โฆษณาเพื่อไม่ให้คนคิดถึงผลรางวัลแล้วในฝ่ายพวกเรานี่หารางวัลอื่นมาทดเชยทดแทนเสสร้างนิสัยแทนที่เทโดยไม่ต้องพึ่งบุรีเก่งโดยไม่พึ่งยาบ้างผลก็คือเราก็เทเราก็เก่งนั่นแหละแต่ไม่พึ่งยา ถามว่าทํำยังไงทําแบบที่ในหลวงรอเก้าท่านทนําสิคนปลูกฝินกันที่ดอยนะภาคเหนือในปีสองร้อยสิบสองเนี่ยเยอะมากเลยในหลวงเขารู้ว่าชาวเขาได้มีนิสัยทําไรเลื่อนลอยแล้วหาไรายได้ดีด้วยการปลูกฟินไปให้เขาเลิกเนี่ยมันไม่ได้เลิกปลูกไม่ลด้มันเป็นนิสัย แต่แทนที่นิสัยการปลูกขยันปลูกเนี่ยทำไรเนี่ยแทนที่จะไปปลูกฟินก็ให้ไปปลูกลูกทอตอนแรกให้ปลูกลูกทอก่อนขายได้ราคาดีพอๆกันแต่ว่าลูกท้อมันลูกเล็กในหลวง ก, ก็ให้มีแหล่งวิจัยพืชเมืองหนาวเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรแม่โจ้กระทรวงกรเกษตรช่วยกัน จนได้พืชเบืองหนาวสตรอเบอ ร, บอรี่อะไรต่ออะไรท้อได้เลยครับไปให้ชาวเขาเขาปลูกเขาขยันปลูกเขามีนิสัยปลูกแล้วมันมีรายได้แทนที่คือพืชเหล่านี้โดยไม่ต้องปลูกฟินสาธประชาชาติบอกกูดไดเดียม่าช่วยกันใหญ่เลยครับช่วยในหลวงเนีคนละไม้คนละมือหลายฝ่ายฟินหมดไปจากดอยภาคเหนือ แต่ชาวเขาก็ยังปลูกแต่ปลูกผลไม้ทดแทนพืชทดแทนแล้วก็มีรายได้ดีด้วยเราต้องหาสิ่งดีๆมาทดแทนความรักความอบอุ่นการช่วยเหลือสาธารณสงเพราะห์มาแทนที่ฝึกอาชีพลุกปูดูที่วัดสแกยุธยาในเขตภาคผมเนี่ย ท่านใช้ธรรมะท่านเห็นคนสองคนนุ่มสองคนมาหาท่านมาถวายสัขฆาฏพอท่านให้ศีลไอ้คนเดียวนั้น น, น่รับศีลอีกคนหนึ่งไม่รับพอวางพัดเสร็จท่านก็คุยกับไอ้คนที่ไม่รับศีลว่ะนับถือศาสนาอื่นหรือ ย, ยังไงจึงไม่รับศีลนุ่มคนนั้นก็บอกผมเป็นพุทธ เอาแล้วทําไมไม่รับสินอ่ะทําไมจะไม่สมาทานสนิผมไม่อยากโกหกพระทําไมอะ่ะผมยังดื่มเหล้าอยู่ครับไปรับสินเขาโกหกพระผมรักษาไม่ได้ผมเลยไม่รับล้มปูดูก็บอกว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันคุณไม่ต้องเลิกเหล้าหรอกแต่ขออย่างหนึ่งนะก่อนนอนคุณสวดมนต์และนั่งสมาธิ วันละห้านาทีได้ไหมทำให้หลูกปู่ความเพรงใจความเคารพกะเทยรับปากพอรับปากแล้วก่อนนอนทีไรต้องนึกถึงหลุกปู่เลยต้องสวดมนต์และนั่งสมาธิห้านาทีพุกขืนพอนั่งไปน้นมันมีความสุขท่านสุขมาแทนที่เป็นสุขสมบุไม่ต้องพึ่งสุราอะไรเลยต่อมาก็เลิกสุราได้ นี่คือธรรมะไปแทนที่การล่มสลายของอารยาธรรมจีนที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่มาจากภัยภายนอกคืออังกฤษหรือมหาอำนาจอย่างเดียวหรือญี่ปุ่นอย่างเดียวมันมาจากภายในคือเอายาเซพติดไปให้ดังนั้น w i l l d วแรนเขาจึงบอกว่าเขาเขียนประวัติศาสตร์อารยาธรรมโลก อ ร, รรยาธม์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ถูกพิชิตจากภายนอกอย่างเดียวหรอกถ้าตัวมันเองไม่ทําลายตัวมันเองจากภายในสนิมเนี่ยเหล็กเนี่ยที่เป็นแท่งๆเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีสนิมข้างในเนี่ยผลมันก็ไป่ล้มแต่ที่มันล้มเพราะมันมีสนิมคนไทยเรารักษาประเทศชาติมาถ้าไม่มีตัวบอดทําลายข้างใน ประเทศชาติมันก็อยู่ได้ใครก็มาลุกลานไม่ได้าศาสนาก็เช่นเดียวกันเรารักษาพระาศาสนาใครจะมาปฏิรูปอย่างไรใครจะมาทำยังไงมันแต่ต้องไม่ได้ถ้าคันในมันไม่มีสนิมมันไม่อ่อนเอความอ่อนเอเนี่ยถ้าเราไม่คำนึงนะครับแล้วอยู่กันเฉยๆไม่รู้ว่าปัญหาอะไรมันมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะเหมือนกบครับพวกเราจะเหมือนกบ กบตัวนี้เนี่ยมันไปนอนอยู่ในหมอน้อถ้าน้ำมันอุ่นๆนะกบก็นึกว่ามันสบายที่จริงเขาสุ่มไฟอยู่ต้มน้ำอยู่มันเริ่มอุ่นขึ้นกบก็ น, นึกว่าเข้าสปานะครับ เ, ออเย็นสบายกว่าจะรู้ตัวอีกทีครับน้ำเดือดฝุกไปแล้วกบสุมโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเอาน้ำร้อนเอากบใส่มันจะสปริงออกมา แต่ถ้าค่อยเร่งความร้อนผมอยู่ตรงนั้นปัญหาประเทศไทยเรื่องยาเสพติดมันค่อยๆ เ, เ, เ, เข้ามาคนไทยก็จะกลายเป็นขบต้มในวัดเราไม่เห็นปัญหามันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาบอนเซาะจากภายในอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มันก็ล่มสลายได้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวิริยะที่การอย่าทำเป็น นกกระจอกเทศ ต, ตัวนี้ครับไม่มีปัญหาโน้มน้อมเลมนกกระจอกเทศเวลามันได้ยินเสียงผงช้างวิ่งแตกตื่นมันมันตกใจกลัวมันทําไงครับตัวมันใหญ่แต่มันหาที่หลบไม่ได้มันก็เลยเอาหัวซุกกับหูตึงเลยใต้สายคระไม่ได้ยินเสียงช้างเนี่ยมันก็สบายใจบอกหมดปัญหาแล้วที่ไหนได้ครับช้างมาเยียบแบล็เลยครับ ยาเสพติดมันเข้ามาในวัดมากระทบรูปเนรของเราพระของเราแล้วเราก็อยู่กันสบายไม่มีปัญหาไม่มีรายงานมันจะเป็นนกกระจอกเทศ น, นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตระหนักรู้เรื่องนี้มหาเถรสมาคมท่านยังมีคำสั่งครับตั้งแต่พศ2521เรื่องห้ามภิกษุษสามเณรเสพยาเสพติดให้โทษ สร้างรู้เอาไว้แล้วครับแต่เราไม่ค่อยม า, มาพูดกัน 2,121 ท่านมีคำสั่งผมว่าข้อสี่ครับห้ามภิกษุสามเณจฉันยาที่มีคติเหมือนสุราเมรัยและยาเสติดให้โทษอื่นใดที่มีคติอย่างเดียวกันบางทีเนี่ยยาดองบางยาอะไรบ้าง ามาถวายหลวงพี่ยาดมบัให้เทศน์ดีอ่ะตรงนี้แหละครับห้ามฉันยาที่มันผสมข้อหกแต่ข้อห้าครับห้ามพิสูจน์สมเด็เซฟหรือฉีดยาเสพติดให้โทษทุกชนิดนี่ห้ามโดยตรงเลยข้อสี่นี่ห้ามห้ามฉันยาที่มันผสมข้อ 5, ห้าในห้ามฉีดห้ามเซฟ ทุกชนิดยกเว้นแต่ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์เพื่อรักษาโรคโรคอะไรท่านลืผมเคยเห็นคนฉีดมะเร็งระยะสุดท้ายท่านมอร์ฟีนปวดดิ้นเลยต้องฉีดครับหมอเขาจะสั่งนี่คือ ข้อหครับห้ามเซฟหรือฉีดและทีนี้หน้าที่พระวิญญาณที่การทำอะไรครับตรงนี้ครับข้อหห้ามพิสูจส์สมณีรูปใดฝ่ฟาฝืนคำสั่งมสอนี้และถ้าฝ่าฝืนวิญญาณิการต้องบังคับใช้ครับหนึ่งถ้าเป็นพระพิสูจนาเนณีทั่วไปไม่ได้เป็นพระสังฆติการเราก็ให้จับรายงานเอรายงานเจ้าวาให้เจ้าวาดต้นสังกัดเนี่ยที่วัด นั้นเนี่ยนะครับพระพิสุนเองเขาอยู่เนี่ยที่ไปเซฟนะสั่งพระพิสุทธิ์สมเด็จองคนั้นให้หยุดขอแรกเนี่ยให้หยุดสั่งแล้วยังฝ่าฝืนให้จัดการไล่ออกจากวัดแล้วบันทึกเหตุที่ไล่ออกว่าเพราะยาเสพติดไว้ในหนังสือสุทธิก็คือบัตรประจำตัวรายงานตามระดับชั้นจนถึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดทราบ ถ้าเจ้าวาดไม่ทําเราก็ต้องประสานให้ทําหรือเราไปเจอที่ไหนกระทำนี่อยู่วัดไหนให้เจ้าวาดก็จัด ก, การเจ้าวาดไม่รายงานไม่จัด ก, การเราก็ต้องรายงานผู้บงังคับประชาชาวจังหวัดของเราว่าวัด น, นั้นมีปัญหานะทําข้อแรกขอ้อกอครับข้อสอบข้อข อ, ขอถ้าไม่ได้เป็นประสันทางการถ้าพิสูจน์สำเร็จกระทำความผิดอยู่ในท้องที่อื่นในจังหวัดเดียวกัน ให้เจ้าคณะท้องที่นั้นแจ้งแก่เจ้าวาดผ่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดและถ้ามีสังกัดอยู่ต่างจังหวาัดแจ้งผ่านให้แจ้งเจ้าวาดผ่านเจ้าคณะภาค น, นี่ก็เป็นเรื่องของพระวิทยาการต้องอํานวยความสะดวกให้เกิดการแจ้งและกล่าวมาให้มันถูกต้องจัดการกับผู้ที่เสพเองให้เจ้าวาดจัดการตามกฎหมายหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าพอไล่ออกจากวัดเนี่ย มีใบสุดที่บันทึกเดียวนะครับคือไม่มีทางมีสังกัดอีกแล้ววัดไหน็ต้ก็ไปรับครับและเมื่อไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง<ม>ก็ต้องออกไปจากภรศาสนาตามกฎ ม, มหาเทนาคมครับทีนี้ถ้าเป็นพระสังฆาธิการและข้อกเจ้าคณะเจ้าสังกัดพิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยา พระสังฆาธิการตักวนแก่กรณีคือความรุนแรงของยาเสพติดแต่ถ้าพระสังฆาธิการได้กระทําความผิดในเขตจังหวัดที่ตนไม่ได้สกัดอยู่ให้เจ้าคณะในเขตที่ความผิดนั้นเกิดขึ้นแจ้งแก่เจ้าคณะสกัดผู้กระทาความผิดแจ้งเจ้าคณะจังหวัดในกรทมแจ้งเจ้าณะกรทมทัานต่างจังหวัดแจ้งเจ้าคณะภาค คำสั่งมส2521นะครับวันที่30พฤศจิกายน2558 2ปีที่แล้วครับสำนักงานพิษณเุเกชาติร่วมกับกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมลงนานมบันทึกข้อตกลงว่าโดยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามมาติมสครั้งที่4 2 5เ3เรื่องผู้ถูกคุมประพฤติขออนุ ญ, ญาตบรระชาสมบต เพื่อเป็นการก่อนกลองไม่ให้พูดต้องหาคือมติบสครั้งที่สี่สอสิบสามเนี่ยถ้าอยู่ในระหว่างคุมความประพฤตินเนี่ยคุมประพฤตินเนี่ยบวชไม่ได้นะแต่อุปชามักไม่รู้ไม่มีข้อมูลว่าคนคนนี้เนี่ยออกจากที่คุมขังแต่เขายัางคุมประพฤติคือยังไม่พ้นโทษเหมือนกับยังตรวจสอบอยู่จนกว่าจะครบกำหนด แล้วมาบวชไม่ได้ครับทีนี้มันมีการบวชเกิดขึ้นเป็นหมื่นๆ น, นะสมัยโน้นเนี่ยเพราะวัดไม่มีข้อมูลบัญชาไม่มีข้อมูลว่าคนนี้อยู่ในการคุมประพฤติถ้าติดยาเสพติดก็คือกําลังบำบัดรักษาอยู่ครับกําลังฟื้นฟูนฟนสมัรธภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่พ้นระยะการฟื้นฟูนฟนแล้วมาขอบวชนี่แหละครับสร้างปัญหาให้คณะสงฆ์ครับ ติดยาเสพติดยังไม่เลิกไม่ขาดยังอยู่ในระดับในยักฟื้นฟูแล้วรารับเข้ามาบวชเนนบวชพระเป็นปัญหาครับเยอะมากจนกรมคุมประพฤติเนี่ยถามว่าไอ้คนนี้ที่มันฟื้นฟูมันไปอยู่ที่ไหนไปบวชแล้วแล้วทำอะไรได้เมื่อสองปีที่แล้วนี่ยครับเจนต้องมาลงน้ากับสำนักพุทธนะครับจริงๆก็ปีเศษๆปลายปีห้าแปด 5้าเก้าทั้งปีหกศูนสองปีครับว่าอย่าบวช น, นะพระคุณเจ้ามสองก็เลยมันมีมติสัมทับไปถ้ามีมติแล้วด้วยสทำห้าบวชแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อุปชาไม่ปฏิบัติาปัญหาอุปชาก็ไม่รู้ว่าเขากำลังอยู่ในยะฟื้นฟูติดยาเสพติดกำลังฟื้นฟูหรือคุมประพฤตินในคดีอื่นบวชไป การลงนามสานักพุทธกับกรมดูบัพพิตคือต่อไปนี้มันออนไลน์ถึงกันหมดครับที่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยพระพุทธศาสนา 4.0 ก็คือต่อไปเนี่ยพระคุณเจ้าจะต้องมีระบบออนไลน์ถึงกับสํานักพุทธทั้งหลายอุปจาเนี่ยเช็คเลยว่าคนนี้เป็นยังไงสํานักพุทธต้องให้ข้อมูล กับพวกเราไอ้กรมคุมประพฤติสารคุณต้องให้ข้อมูลกับพบญานในการกับคณะสงอยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วมาครับบัติบอสอปีห้าสามครับกรมคุมประพฤติขออตอนนั้นถามมาย้อนไปนะครับี่เมื่อกี้ในพูดปีห้าแ ปี53กรมภุมิพืฐานถา ม, มาว่าบวชได้ไหมมสมีมติไปแล้วครับว่าบวชไม่ได้ไ ม, มีมตินในปี53แต่ใครที่ต้องขังหรือว่าอยู่ในช่วงคลุมประพฤติหรือกำลังฟื้น ฟ, น ฟ, น ฟ, น ฟ, นฟนูติดยาเสพติดีนบนพระไปเทศได้แล้วจัดบวชนุ่งขาวผ ม, มขาวได้เป็นชีพรามได้ไม่ใช่ห้ามทั้งหมดนะครับ แต่เปิดช่องให้บวญชีพรามนุ่งขาวอมขาวพระไปเทศซึ่งเราสามารถช่วยเขาได้ล่าสุดครับวันที่30พฤศจิกายน2560ก็เดือนธันวาก็เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยม2ออมีมติสำทับไปอีกนี่ล่าสุด น, นะครับจนดูให้ดีนะครับ สข้อด้วยกันข้อหนึ่งครับให้พระสังฆาธิการทบทวน์ปฏิวัติตามกฎมสฉบับที่23่สิบมรสี่สเอ็ดว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์กฎมสฉบับ24แต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการที่สำครรัญคือกฎนี้ครับฉบับที่17บเครับสองพว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระบูชาเพื่อให้แก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภาพของพระสงฆ์จะได้ปรากฏไปที่ประจักษ์ชัดอย่างรวดเร็วและ ย, ยั่งยืน มีสองส่วนนะครับส่วนที่ข้อที่ยี่แต่กฎฉบับยี่สามและยี่สี่นี่เรื่องจริยาพระสังฆาธิการครับให้พระสังฆาธิการสอดส่องพระสังฆาธิการระดับรากให้มีจริยาพระสังฆาธิการให้เจ้าวาดสอดส่องความประพฤติอของพระพิเศษสมเด็ในการปกครองทําหน้าที่ให้พระอุปชาคัดกรองผู้เข้าปรบวน อย่าเอาผู้ติดยาเสพติดเข้ามาอย่าเอาอ่านยากรเข้ามาในพระศาสนาจึงใช้คําว่าฉบับที่สิบเจ็ดสองระนัยสที่ผมวในการแต่งตั้งถอดถอนพระบิชากันแล้วจะชัดในข้อที่สามครับข้อสองนี่ให้พระสังฆาริการพยายาเพื่มจเพิ่มความเข้มงวดกดขันในการปกครองควบคุมสอนสองดูแลอบรมวิสุทนิสมณีในปกครองตามพรบกันนั้นทรงกดอะไรกันไป ว่าเพิ่มความละเอียดทีท่วนในการคัดกรองผู้ขอเข้าบรรชาอุปสมบทมีสองประเด็นนะครับหนึ่งอย่าเอาผู้ที่ห้ามบวชเข้ามาบวชสองในประเด็นที่กำลังคุมประพฤติบางทีเราไม่มีข้อมูลอย่าเอาเข้ามาบวชคุมประพฤติไม่ได้อยู่ในห้ามบวชแต่เป็นมติม .2 ห้ามบวชผู้ฟื้นฟูติดยาสติกันอยู่ในการฟื้นฟูก็ห้ามบวชครับอุปชาต้องคัดกรองนี่ข้อสองข้อสามครับเข้ามาบวชแล้วต้องอบรมพระภิกษุในปกครองภิกษุสามเณรในปกครองเป็นเพื่อจางใจและสติปัญญาประชาชนมาเพงกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่าบวนแบบอุปชาเป็นไม่ฟัง ต้องไก่ครับและข้อสามนี่เองเพื่อมี ม, มติเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับเดือนธันวาคมก็มีมติตั้งคณะกรรมการมสอสีรูปเพื่อกำหนดว่าควรจะบวชกี่วันและต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างสีรูปก็มีพระพรหมวุณีพระรพรหมดีนหลกพรหมโบรีก็ตัวผมเองเราได้ไ เป็นสาหาเลยกันเรียบร้อยและจะนําเสนอมสอวันพรุ่งนี้แต่คงยังไม่เสร็จแล้วกับเรื่องหลักสูตรนี่น่าจะได้ในอีกสิบวันต่อไปว่าบวชกี่วันอย่างน้อยแล้วอบรมเรื่องอะไรคัดกรองให้ปลอดผู้ติดยาเสพติดเข้ามาและข้อสองเพิ่มความเข้มงวดกดขันในการปกครองซ่อมดูแลโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด พระวิญญาณการต้องเป็นแขนเป็นขาเป็นไม้เป็นมือในเรื่องเหล่านี้เพื่อได้คนที่มีคุณภาพมาอยู่ในพระศาสนานี่เป็นมติล่าสุด น, นะครับ30พฤิกาคม2560ที่ผ่านมาให้พระอุปชานั้นเข้มงวดเป็นหน้าด่านคือหน้าด่านของพระศาสนามีสองตำแหน่งครับหน้าด่านที่หนึ่งเอาคนเข้ามาในาศาสนาคือพระอุปชา หน้าด่านที่สองเอาคนเข้ามาวัดมาทำบุญคือเจ้าวาดกักเพงเนี่ยมันอยู่ที่วัดกับที่อุปชาครับคนมาอยู่ในวัดแล้วไปเสพยาเสพติดมันก็ขายกันเต็มไปหมดีลครับเจ้าวาดคุณช่วยเจ้าวาดต้องเข้มแข็งท่านทั้งหลายต้องสงสัยบนบาทตรงนี้พระอุปชาหนักเขามีไม่ใช่มาอาศัยวัดขายยาอย่างเดียวมาเป็นพระเป็นเนรนี่ครับเสพยาขายยาเนี่ย บางทีเศษมันตั้แต่ก่อนบวชไม่คัดกรองสองตำแหน่งนี่แหละครับกฎมติมสวันที่สาสิบพฤศจิกายนให้ทำหน้าที่อย่างหนักมากขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่เรามาพูดกันวันนี้เลยครับหน้าที่พระบวาชาครับฉบับที่ 17, สิบเจ็ดกฎมสฉบับที่สิบเจดข้อสิบสาครับพระบวาชาต้องพบและสอบสวนคุณลบุตรให้ได้คุณลักษณะกร จึงจะให้บรรประชาอุสมบทเป็นบวประชาเป็นเนนอุบสมบทเป็นพระเดี๋ยวนี้ไม่พบกันเลยครับไม่พบและไม่สอบสวนคือไม่หาข้อมูลผ่านกรมภุมประพติสำนักพุทธไม่อะไรงั้นบวชกันเฉยเลยครับมติบอสอ บ, บอกต้องให้ทำหน้าที่ข้อสินสางถ้าไม่ทำผิดจริยาพระอุปัชาตันที เข็มงวดนะครับแล้วอีกข้อครับข้อข้อสิบสี่ครับพระประชาต้องงดเวกการให้บรรพชาตสมบัตแก่คนต้องห้ามเหล่านี้หนึ่งคนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดินสองหลบหนีราชาการต้องหาในคดีอาญาผู้ต้องหาในค ด, ด, ดียาเสพติดถือว่าเป็นคดีอาญานะครับโทษประหารชีวิตเลยครับค้ายาเสพยาอะไรก็ตามเนี่ยคุบระพื้น เคยถูกตัดสินจำคุกโดยถานเป็นผู้ร้ายสําคัญถ้าพระอุปชาไม่มีข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้กดไม่ได้เช็คมันก็บวนกันมั่วครับไม่ได้สอบสวนไม่ได้พบแต่ต่อไปนี้ตั้งแต่ไม่มีรติมอสอไปทําไม่ได้ครับถ้าขืนทําผิดจริยารรพระอุปชาและเจ้า ว, วาดปล่อยให้ยาเสติเข้ามาในวัดผิดจริยาพระสังฆาธิการเป็นวาระ ของคณะสงฆ์นะครับที่ผมพูดเนี่ยเป็นความ ห, วมห่วงใยและเรามาจัดอบรมครั้งนี้เรามาแจ้งมสอสแล้วก็ท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับเป็นองค์คาพยกที่สำคัญที่ทำให้มติมสอสนี้ขับเคลื่อนไปได้ดีผมก็ขอเล่าถวายาในส่วนนโยบายแนวปฏิบัติกฎระเบียมติมสอสให้ท่านทั้งหลายได้ได้ช่วยกัน ทำให้สิ่งเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเพื่ออะไรครับคัดกรองคนที่เข้ามาในพระศาสนาของเราได้คนดีเข้ามาเป็นกำลังของศาสนาแล้วต้องอบรมนะครับต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีมติเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้เราก็จะแจ้งม2วันต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างกี่วันบวชเข้ามาทุกคนต้อกับพระอุปชาต้องทำหน้าที่ ในกฎ ม, มสเทาประชาไปทำนิตต้องมอบหมายเป็นละละอังษรหรือเชิงนโยบายให้เจ้าวาดทำแทนส่วนมากเจ้าวาดจะเป็นกรรมวาจาจารย์หรืออนุสาวานาจาร์ก็รับช่วงต่อคนเข้ามาบวชถูกคัดกรองดีบวชแล้วให้การศึกษาฝึกฝนอบรมดีเจ้าวาดปกครองดีเราจะได้าศาสนาญาตที่มีคุณภาพึ่งหาราเพศไปก็เป็นกาลังของพระาศาสนา ไม่ใช่ว่าถูกบลทำลายด้วยยาเสพติดเราเข้ามาโบทต้องมีภูมิคุ้มกันมีวิปัสนาภาวนามีอะไรต่ออกไปไม่คล้องไว้ยาเสพติดอยู่ในวัดไม่ใช่ว่าเสพหรือขายไม่มีต้องไม่มีนี่คือนโยบายของคณะสงฆ์ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหา ย, ยาเสพติดที่เรียนถวายตามเวลา ที่คำตอบก็ขออนุโมทนาทุกรูปับที่รับภาระธุระพระศาสนามาเป็นแรงเป็นกำลังในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะสงฆ์ในเรื่องนี้ต่อไปเป็นขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูปที่สละเวลามาร่วมประชุมสัมมนาทางนี้ขออนุโมทนาต่อท่านเลขาธิการกบปศรท่านผู้อำนยการสถาบันและท่านภูมิเกียรติจากพบปศรท่าน ที่มาสนับสนุนกิจาการนี้ในพระศาสนาขออำนาจแห่งขุนประศรีรัตนตรัยและบุญคุณสวรที่มีอยู่ในพระศาสนาของพวกเราทุกร่านจงมารวมกันเป็นตบะเป็นดีชาเป็นพาลาวปะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ท่านเลขาธิการมารสท่านผู้ในการสถาบันและทุกท่านที่สนับสนุนกิจาการนี้จงมีความเจริญก่อการภัยบุญยิ่งขึ้นไปในชีวิตส่วนตัวครอบครัว ก, การงาน สมบูรณ์ในลาภยศสุขสันเสริมทุกทิพย์าลาธวิการมีอายุวรรณนสุขขาพละปฏิพานธรรมสาสตรสมบัติธนศาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบโดยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นตจงพันสําเร็จิจงพันสําเร็จิจงพันสําเร็ จ, จ, รจตลอดปีใหม่และตลอดไปทุกท่านทุกคนเออ